หลวงตามหาบัวญานาสัมปโนคือเพชรน้ำหนึ่งที่หาได้ยากยิ่งท่านคือพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมอันหาประมาณมิได้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐยิ่งใครที่ยังเพิกเฉยผัดวันประกันรพรุ่งไม่ขวนขวายที่จะไปกราบไปฟังธรรมและสร้างบุญกุศลกับท่านอาจจะต้องเสียใจที่ปล่อยให้โอกาสอันเกิดได้ยากนี้ผ่านเลยไป ด้วยสังขารที่ร่วงโรยและอ่อนแรงลงทุกวันหลวงตางอาจคลองขันโปรดพวกเราได้อีกไม่นานนักแม้ชีวิตของเราเองจะยืนยาวไปได้อีกเพียงใดก็ไม่มีใครรู้เราอาจจะตายจากไปก่อนที่จะมีโอกาสได้พบกับองค์ท่านดังนั้นจงรีบขวนขวายสร้างบุญกุศลกับเนื้อนาบุญอันไพศาลในขณะที่ยังมีโอกาสอยู่เพราะชีวิตก็ไม่เที่ยงตายแล้วเกิดใหม่ จะได้ประสบกับสิ่งที่หาได้ยากแสนยากเช่นนี้หรือไม่ก็ไม่มีใครรู้ลงชื่อดรดาราวันเด่นอุดม